สำรวมใจของตนให้ดีชีวิตของคนเรานี่มันมีอุปสรรคนานาประการโบราณท่านจึงกล่าวว่าชีวิตคือการต่อสู้สตรูคือยากำลังนี่นะับว่าถูกต้องท่าผู้ใด ปฏิบัติตา ม, มก็เกิดมาแล้วมันต้องได้มาต่อสู้กับอะไรต่ออะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยง ม, มันไม่เที่ยงมันจึงได้ มีการต่อท้ ก, กันในระหว่างความแปรปวนจิตใจของคนเราเนี่มันก็มุ่งไปสู่ความเที่ยงความยั่งยืนไม่ชอบความแปรปวน ไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลปูนไปนี่ดังนั้นมันถึงได้ต่อสู้กันต่อสู้กันไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคือความเที่ยงยั่งยืนที่นี่บุคคลมาต่อสู้โดยไม่มีอุบายแยบคาในใจผู้นั้นก็ไม่ได้พบ สิ่งที่ยั่งยืนก็ได้พบตั้งแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่เรื่อยไป <c oughs> ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงได้ยึดเอาหลักคำสอนของตัวเจ้าเป็นเครื่องต่อสู้ กับอุปสรรคต่างๆในโลกนี้เพื่อให้หลุดพ้นไปจากอุปสรรคเหล่านี้แล้วมันก็จะได้ถึงซึ่งความสะดวกสบายเป็นอิสระได้ตามกำลังความสามารถที่เราจะต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆให้รุ่รล่วงไปได้ เพราะอุปสรรคมันก็มีอยู่หลายอย่างอยู่แต่ถ้าว่าเป็นหลักแท้ๆแล้วมันก็ไม่หลายอุปสรรคเกิดจากราคะความรักความใครอ่อันนี้ก็เอ า, าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวง ในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤรืหัดอันเป็นคารืหัดนั่นนะมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี่จะทำการงานกากล้ำลำบากต่างๆหมดนี่มันก็มีราคะนี่แหละเป็นปฐมมเหตุเมื่อผูใ้ใดบรรเทา ร, ราคะอั น, นี้ลงไม่ได้แล้วมันก็ต้องไป มีครอบครัวเมือ่อมีครอบครัวมาแล้วมันก็ต้องเอาและขอนขวายต้องดิ้นลนต้องสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆผู้ใดบุญน้อยสติปัญญาน้อยมันก็แสวงหาปัจจัยสี่นี้ได้แต่น้อยก็ได้บริโภคใช้สอยแต่น้อย ก็ไม่พอใจไม่เต็มความปรารถนาก็เป็นทุกข์นันจะต่อสู้ยังไงดิน้น้นยังไงมันก็ไม่สมประสงค์เคราะบุญวาสนาบา ร, รมีที่ตนทำมาแต่ก่อนมันน้อยไปดังนั้นมันจะดิ้นยังไงมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้ได้แต่คนส่วนหลายเนะี่ยมันไม่คิด อย่างนี้ถ้ามาคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปเป็นโจรเป็นขโมยไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติกู่เเป็นของตนมันคิดว่าไอ้เราก็เป็นคนผู้หนึ่งเราจะไม่ยอมอดตายถ้าเราหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องหาเอาในทางสุจริต ต้องกี้เอาปล้นเอาหลอกลวงเอาช่อโกงเอางนมูลเหตุที่มนุษย์เรามันจะถึงซึ่งความเสื่อมของชีวิต ม, มันก็มาจากราคะทัญหานะั่นแหละเบื้องต้นนะต่อไปมันเคกยกลายเป็นโทสะพยาบาทเป็นโมหะความหลงความเมาความไม่รู้สึกตัว ไม่รู้จากบุญจากบาปไม่รู้จากคุณจากโทษอะไรไปแล้ววันนี้พระท่านแสดงถึงนรกทำบาปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ตายแล้วไปตก น, นรกมันก็ไม่ไม่ฟังไม่สะดุ้งเลยมันจะไปตก น, นรกกี่หลุมก็ไปอนุภาพแห่งราคะตัณหานี่ มันผิดลึกนะคิดไห้ดีมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปทั่วแหละทำให้อยากได้อันนั่นอยากได้อันนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นลงได้แล้วก็ความอยากนะั้นมันก็มีอวิชชาแทรกแซงไปด้วย บางทีมันก็เลยอยากไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบธรรมเนียมไปกระเสวงหาไปในทางผิดไปมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นั่นเรียกว่าบุคคลไม่ต่อสู้แบบนั้นนะปล่อยตนให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหา คำว่าต่อสู้ในที่นี้นะต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดีบุคคลผู้มีใจฝักไปในความดีเชื่อมั่นว่าความดีคือบุญกุศลนี่จะนําตนในพ้นทุกข์เมื่อเริ่มว่าจะทําความดีทําบุญกุศลเข้าไปไอความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามา อันนี้ก็ต้องต่อสู้กับความชั่ววนนะันนี้นะเมื่อเอาชนะความชั่วนั้นได้ก็ทำความดีได้วันนี้นะบาเพ็ญบุญกุศลต่างๆได้ให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้นี่ถ้าถ้าต่อสู้กับความชั่วยางได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะ ได้แต่ละครั้งละคราวมันก็เป็นเหตุให้เจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นได้เจนบุคคลมาต่อสู้กับความโลภความตนีในใจอย่างนี้นะเมื่อความโลภความตนีความหวงเหียนเกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้มันครอบงามจิตใจ กำหนดละมันเลื่อยไปหาอุบายสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งความโลภความตณีนั่นเข้าไปเมื่อจิตมันเห็นโทษแห่งความโลภความตนีนั้นแล้วมันก็กลละได้เมื่อละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วมันก็ทำบุญให้ทานได้เป็นอย่างนั้น ทะละที่เลยเหล่านั้นไม่ได้ก็ทำบุญให้ฐานไม่ได้บางคนจะรักษาศีลได้ยัง น, นี้มันก็มาต่อสู้กับความโกรธความ พ, พยาบาทหรือความโลภอีกเหมือนกันแหละนี่ก็ดีเพราะมันโลภอยากได้อาหารอันดีๆมาบริโภค ไปเที่ยวค่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงตัวและครอบครัวอันนี้มันก็เป็นความโลภอันนึงนะนถ้าบุคคลไม่โลภแล้วหาได้มาโดยทางสุจริตอย่างไรก็ยินดีบริพกรับประทานไปอย่างนั้นไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไป นั่นแหละเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วมันก็เป็นเหตุใจรักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อบุคคลไม่โกรธแล้วก็ไม่เบียดไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เป็นผู้มีศีลนี่ กลัวว่าจะเป็นผู้มีศีลได้มันต้องต่อสู้กับความโลภความโกรธเหล่านี้เอาจนชนะมันไปได้อย่างนี้แหละมันก็จึงค่อยมีศีลได้คนเรานะมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมประกอบด้วยอีกเพราะว่าลํำพังแต่ศีลอย่างเดียวมันก็ยังไม่ มันความประพฤตินั้นยังไม่ละเอียดยังไม่แนบเนียนพอนั่นต้องคิดให้ดีอันเช่นบุคคลนะ่ะไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตรอกไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ตีเขาจนเสียองค่าหรือจนเจ็บปวด ต่างๆนานาหมู่นี้ไม่ได้ทําแต่บางคนก็ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอหมู่นี้มันก็อยู่มันก็เป็นสายของปานาธิบาตนั่นแหละชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไอ้ผู้อื่นจะขัดข้องลาบากยังไงเพราะการกระทําของตัวเองไม่คานึง ว่าแต่ขอให้ตนเองได้รับความสะดวกสบายก็เป็นพอนี่นั่นนี่ได้ว่าขาดคุณธรรมคือเมตตากรุณามันเป็นอย่างนี้นะคิดให้ดีท่านจึงกล่าวว่าศีลธรรมเป็นคู่กันนั่นเลยศีลอย่างนี้นนปาณาติบา ท, ท่านห้ามให้ฆ่าสัตว์มือนกับ ระบุออกมาอย่างนั้นตรงๆในวันนี้การเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงการค้าการขายบ่ในเชิงการทํากา ร, ากการทารํางานต่างๆร่วมกันอะไรพวกนี้นะอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดเอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ผ่อนผันหากันโมนีมันก็ร่วนตั้งแต่นั้นนะอนุโลมเข้าปานาติบาททางนั้นนะั้นเพิ่งศึกษาให้รู้ให้เข้าใจรายละเอียดของปานาติบาทอันเนี้ยถึงอธินาทานก็เหมือนกันนะ เทที่มันจะไปลักไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของอื่นมาเลี้ยงชีพตัวเองก็พอมันขาดเมตตานัเนี่ยขาดคุณธรรมนอกจากมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วมันก็ยังขาดเมตตากรุณาในเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นอืมนอกจากล่วงศิลข้อที่สองนี่แล้วนะมันยังล่วงธรรมะอีกยัไม่ยังไม่มีธรรมะ คือเมตตากรุณาอยู่ในใจดังนั้นมันถึงทำได้คนเราเนะี่ยเม้ข้อที่สามข้อที่สี่ไปก็เหมือนกันนะมันต้องมีเมตตากรุณานี่กากับสินทุกข้อเลยผู้นั้นจึงรักษาสินให้บริสุทธิ์อยู่ได้ในส่วนข้อที่ห้านั่น มันก็ขาดเมตตาตนโดยตรงเลยทีเดียววันนี้ไม่คำนึงถึงตนตกยอมเป็นทาสของตัณหาความอยากโดยส่วนเดียวไม่ได้คำนึงถึงว่าเมื่อได้บริโภคของเสพติดต่างๆเข้าไปแล้ว ร่างกายนี่มันจะดีขึ้นมันจะมีอายุยืนหรือมันจะทุดโทมไปไม่ได้คำานึงเลยอันเนยเอาแต่ความชอบใจในรสในกลิ่นของมันเท่านั้นเลยนึกว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายให้แก่ตนได้นั่นเรียกว่าบุคคลผู้ขาดเมตตาตนนะ ถ้าผูใ้ใดมีเมตตาตนปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขแล้วก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะบริโภคอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าอยว่สอนให้พิจารณาเสียก่อนจะบริโภคปัจจัยทั้งสี่นั่นนะถ้าเห็นว่ามันไม่มีโทษมันมีคุณจึงค่อยบอริโภคไปถ้าพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันให้โทษ ทั้งร่างกายและจิตใจเช่นนี้ก็ไม่ไม่ทำมันไปไม่บริโภคไปงดเว้นเั่นผู้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ได้ทำบาปเลยเรื่องมันนะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ เคารพต่อพระธรรมคําสอนของพระเจ้าอย่างจริงจังไม่ใช่เคารพเพียงผิวเผินเคารพแล้วลงมือปฏิบัติตามจริงๆไม่ใช่เพียงเอาคำภีรไปตั้งไว้บนหัวนอนแล้วก็กราบไหวอยู่เท่านั้นออันนั้นไม่มีประโยชน์อะไระมีประโยชน์น้อยเต็มที่ได้แค่ความเคารพ เท่า น, นั้นเองแต่มันถ้าทำมันนั้นเมื่อไม่น้อมเข้ามาสู่จิตใจแล้วมันก็กําจัดกิเลสบาปประทมออกจากจิตใจไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะเราต้องพิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจไอความชั่วต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัด เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเถ้าเป็นนักบวชแต่ใ น, นผู้ใดเห็นแจ้งในโทษทั้งหลายดังกล่าวมานี่แล้วมันก็ไม่ศึกหาหลาเพศออกไปเลยเพราะรู้ดีแล้วว่าถ้าศึกออกไปแล้วนี่มันจะต้องได้ไปทำชั่วเหล่านี้ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งนี่เพราะว่าฐานะของตนก็ไม่ร่ารวยอะไรฮะ อย่างนี้เลยมันจำเป็นต้องได้ยอมทำบาปนะบคุคคลผู้ตกเป็นทาสของตันหาบวชมาแล้วสึกออกไปยอมไปตกนรกหมกไม่ยอมไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ได้ไดรฉานยอมหมดอย่างนีเ้เพราะฉะนั้นจะว่าไม่สำคัญอย่างไรแล้วจะว่าศีลเหล่านี้มันเป็น ของกระหั่ดอย่างเดียวไม่ใช่นี่เป็นแม่บทของศีลอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นไนะ